อ่าธรรจบเราั่งปฏิวัติทมกันตพิงกลับมาจากวัดภูเขาทองมีงานประจําปีในสายงานหลวงปู่เทียนก็มาจัดกันที่วัดภูเขาทอง สำหรับเดือนนี้ช่วงนี้คนไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับที่อื่นยอดโยมประมาณ50สคนเป็นชาว บ, บ้านส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีพระจากสุขโตเขาทองประมาณสักห้าสิรูป ครูอาจารย์ก็มาน้อยคนแตกต่างจากทุกทุกที่ก็ปฏิบัติทำกันเท่าที่จะทำกันได้พากันทำพระส่วนใหญ่เคยรู้จักอยู่แล้วนะแนวปฏิบัติ การเคลื่อนการไหวอาติโยมก็ไปกรอสตาต้องใช้พระจีนบ้างพระศีลังกาบ้างพระไทยบ้างก็ปลุกแล้วตัวสตาสร้างความเห็นเบื้องตน้นสามมาติติส่วนใหญ่ก็คุยกัน เช้ากินข้าวก็คุยกันปฏิบัติก็คุยกันนอนอยากทำอะไรก็ทำต้มย า, าเวียนดื่มยากันติบ่นกันขลมยาดำยาแห้งยามันขาดยาตัวนั่นตัวนี้ตัวโน้นหน้ามันไม่แดง ก็เลยไได้มาสร้างความรู้สึกตัวกันเหมือนก็รวมหัวกันก็ทำกิจกรรมสร้างภาพก็เลยมองประโยชน์ของการไปว่าควรชักชวนแสดงออกตรงๆชี้นำตรงๆ ให้เหตุผลแบบมีน้ำหนักไม่ได้พูดให้เกงกลัวแต่เป็นการชี้นำให้กำลังใจนำเสนอข้อมูลแนวคิดมุมมองต่างๆมันจะเสียเวลาขี่ช้างจับตะกแตนหรือว่าจัดงานตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ตรงประเด็น นึกถึงสมัยหลวงปู่เทียนตามซื่อวิดีโอนะตามข้อมูลของคนเก่าที่เคยอยู่กับหลวงปู่เทียนเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆพระฝรั่งมีส่วนหนึ่งที่ตรงประเด็นชีวิตมันมีความทุกข์ก็ค้นหาแสวงหา ทังรูปแบบปฏิบัติครูบาอาจารย์สรุปจะประเด็นน้อมาปฏิบัติจนมันเกิดผลจริงๆริท่านก็ลอยเราฟังจากข้อมูลจากคนอื่นให้เราตรงๆกับชีวิตของเราที่มันมีความทุกข์แล้วก็หาทางออกเหมือนกันแสวงหารูปแบบปฏิบัติครูบาอาจารย์ สถานที่มันก็มีมากมายแต่ท้ายสุดไอ้สิ่งที่เราทำามันก็ทำให้ทุกข์มันลดลงสามารถเห็นทุกข์ได้เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ก้าวล่วงจากความทุกข์ได้ตรงนี้แหละก็คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมแลวเราก็สัมผัสได้เหมือนกัน เมื่อเรามีการกระทําตรงไปตรงมาเช่นแนวหลวงพุทธิยนเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากมันจะมีความสิ้นเปลืองอะไรเลยปัจจัยสี่ก็เราก็อยู่แบบสบายอยู่แล้วเพรอเรามารับรู้เรียนรู้มาฝึกตนรูปแบบปฏิบัติก็ตรงไปตรงมาการเคลื่อนการไหวเดินตรงกลมนะการเคลื่อนมือส4บี่จังหวะสัมผัส เมื่อเรารู้สึกตัวมันก็มีทุกทันทีปวทุมเกิดจากความคิดการปรุงการแต่งการเคลื่อนการไหว เ, เมื่อไรขณะต่อขณะความไม่ทุกข์มันก็ปรากฏขณะต่อขณะเหมือนกันคือความเป็นปกติของจิตจิตมันก็หยุดหยุดปรงุงหยุดแต่ง มันก็วางมันก็ปลดปล่อยมันก็ว่างทุกครั้งที่รู้สึกมีปัชนาในน้อยมันก็สะสมพลังสติในน้อยมันก็สะสมเป็นมหาสติมันไม่ใช่การพูดมัไม่ใช่การจ่วยสร้างภาพแต่มันเป็นสิ่งที่มันปรากฏทุกครั้งที่มีการกระทําลงไปกรรมฐาน ทุกครั้งเรารู้สึกตัวมันจึ ง, ม, งมีกรอบของการวัดมีกรอบของการปฏิบัติตงๆนะแสดงออกตรงๆ ร, นะรูปแบบในลํเาเป็นกรอบนะจนทางจิตของเรามันมันเลิกพยศมันดูร้ายมันเถื่อนนะนะมันเคลื่อนมันไหวแบบไม่มีตัวตนแล้วก็ไว้ดังห่าง ไม่มีตัวตนเดิมมีพลังอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาอยู่ๆก็พอใจขึ้นมาอยู่ๆก็ไม่พอใจขึ้นมาอยู่ๆก็รักขึ้นมาอยู่ๆก็กังวลขึ้นมาอยู่ๆก็อิจฉาริษยาขึ้นมาอยู่ๆจิตก็หนักอยู่ๆจิตก็เบามันมีพลังมันสุขเราก็สุขด้วยมันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วย มันโกรธแล้วก็โกรธ ด, ด้วยมันโลภแล้วก็โลภด้วยมันหลงแล้วก็หลงด้วยมันรักแล้วรักด้วยมันไม่ทันสติปัญญามันไม่ทันมันไม่เห็นโทษมันไม่เห็นทุกข์มันก็จึงตรงไปตรงมาทุกครั้งที่รู้สึกที่ฐานกายออกมาจากอารมณ์ออกมาจากก้อนของอารมณ์ ออกมาจากการปรุงแต่งออกมาจากความคิดออกมาจากความหลงหรือตัวไม่รู้ตัวอวิชชามันรู้มันรู้ถูกมันรู้กายเห็นกายสัพว่ากายไม่ใช่สตุลตนบุคคลเราเขามันเห็นเวทนาแทรกซ้อนที่มันซ่อนอยู่มันก็แสดงตัวออกมาให้เราได้รู้จัก เวทนาเขสั่ว่าเวทนาไม่ใช่สดตัวตนบุคคลเราเก่าเวทนากายไม่พอทุกกายไม่พอกายเป็นตลไมนในจิตในใจเวทนาของกายลามต่อไปถึงจิตถึงใจแทนที่มันจะเป็นจนวนไม่ถึงกันก็กลายเป็นจำนวนขึ้นมาเชื่อมต่อเกิดทุกเกิดโทษป่วยกายทำให้ป่วยใจ แต่ที่ป่วยกายก็เรื่องของกายใจไม่ต้องป่วยก็ได้กายไม่ป่วยจิตคิดว่าป่วยเดี๋ยวก็กายก็ได้ป่วยตามไปด้วยไม่ยุติธรรมมันแยกได้เห็นเวทนาสักวันหนาไม่ใช่สัตวตัวตนบุคคลเราเขามันแยกให้คนละเรื่องกันเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขา่า จิตเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความคิดเนี่ยอาการของจิตเนี่ยมันหนักหนาสหาหัสเป็นพบเป็นภูมิเป็นภูมิต่ําเปรสนนโลกสุลกายอใบยภูมิเดรฉา น, นคิดแบบกว้างกวางก็เดรฉานคิดแบบโลภมากก็เปรคิดแบบทรณงยโสหังทิฏฐิมาหน้าหังการว่ามังการไม่ก้มหัวให้ใคร หิงผยองลำพองตะรนงใจร้อนอันนี้ก็สัตว์นรกก็เป็นพบเป็นภูมิที่ขาดตาขาวบาดกลัวก็เป็นอสุ ร, รกายล้นล็ดแต่ภูมิต่ำตรงนั้นพอเรารู้สึกตัวก็ยกขึ้นมาทันทียกขึ้นมาเคยโง่เคยหลง เคยงมงายไล้สาละเคยเชื่อมองคนตื่นข่าวบางทีก็หูเบามันก็หนักแน่นขึ้นมา่านที่จะเป็นอสูรรกายขี้ขาดตาขาวต้องกินเหล้าเมายาใส่สุราลงไปจะได้ฮึกเหมิมกล้าอาหารเราก็รู้จักบางทีก็ใจดีใจงาม ใจสบายขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปขึ้นมานเป็นลนักษณะของเทวภูมิเทวดาจิตเทวดามีหลิมีโอต ป, ปะมันก็แสดงออกมาในจิตในใจของเราก็นะที่เรามีสติดูจิตเห็นจิตในจิตไม่ใช่สตัว ต, วตนบุคคลเราเขาความรู้สึกตัวงก็พ่าไป่องรอยทางเดินของกรรมฐาน มันก็ต่างเก่าลวงพลนภาวะเก่ามีความเป็นโปรตีใหม่ๆชีวิตใหม่ๆก็เกิดขึ้นมานาวาชีวันนาว่าแปลว่าใหม่ชีวันก็คือชีวิตเป็นชีวิตที่มีชีวามันขยายผลกว้างขวางออกไปไม่ใช่อยู่แบบคนเดียวเห็นแก่ตัวคิดทำอะคิดด้วยเมตตาคิดแล้วพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา คิดแล้วทำอะไรมันก็ทำด้วยเมตตาขวางขวางอภรมัญญาออกไปเห็นทำในทำไม่ใช่สตัวตนบุคคลเราเขาเห็นแล้วมันก็ทำอะไรที่ไม่ดีมันก็ต้องทำคนอื่นไม่ทำเราก็เสนอตัวทาทำตรงๆไม่ได้ก็ทำอ้อมๆทนดีตรงๆมีคนอิชาหรือยก็ทำอ้อมๆปิดทองหลังพระไป ทำดีตรงๆก็ไม่ใหญ่เราทำดีก็ปิดบุญกั้นบุญแล้วก็ปิดทองหลังพระไปปิดทองใต้ก้นพระก็ได้ให้นั่งทับไว้อย่างนั้นแหล ะ, ะ <S <S ตายเห็นอะไรไม่ดีนะ <S 1> <S 1> เปลี่ยนแปลงหูฟังอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนแปลง <S <S เอาความร้อนมาเป็นความเย็ น, น <S 1> <S 1> เอาหนามแหลมคมมาเป็นดอกไม้เอ า, อเอาหอกเอาเหลาทิ่มแทงมาเป็นดอกไม้ เย็นวูบเข้ากระดูกมันเคยร้อนวูบออกมาจนกระทั้งมันเป็นเหมือนกับวัตถุระเบิดวัตถุมีฤทธิ์วัตถุมีพิษจิตใจของเรามันทำลายตัวมันเองเป็นทุกเป็นโทษแล้วสะเก็ดก็ไปเดินคนอื่นเล็กๆน้อยๆแต่ตัวเราเองน่ะมันล่มสลายขาดทุนเรียบร้อยไปแล้วเป็นภูมิต่ํามันก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอก สติปัญญามันพาทำสติปัฏฐานมันพาทำมันก็เห็นเป็นวิมุตต์เห็นแล้วไม่ต้องเก็บเอามาเป็นปัญหาทำแล้วก็แล้วไปไม่ามาเป็นปัญหาไม่ามาเป็นทุกเป็นโทษเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติกรรมฐานทำไมเกิดธรรมชาติทําอะไรได้วยกรรมฐาน ล้างหน้ากรรมาฐานอาบน้ํากรรมาฐานแปรงฟันกรรมาฐานจะกินจะขับถ่ายก็กรรมาฐานจะทํางานทั้งวันก็เป็นกรรมาฐานในรูปแบบนอกรูปแบบแล้วช่วยอากาศเก็บตกอย่างสม่ําเสมอพอรู้แล้วว่าความรู้สึกตัวมันไม่เกี่ยววิธีการใดในโลกก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับมันรู้รู้เตือนเบิก บ, บาน รู้กายรู้นารู้จิตรู้ธรรมเห็นก็สักตว่าเห็นได้ยินก็สักตะวัไดย้ยินกลิ่นก็สักตะวกลิ่นรถก็สักตวันรถไม่กระทั่งคิดก็สักตะวัคิดห้ามันไม่ได้แล้วแต่เขาจะคิดแต่เรารู้เท่ารู้ทันรู้สึกตัวคิดก็รู้ได้ถึงมันจะละเอียดมันก็ไม่ได้ละเอีย ด, ดือกว่าสติซึ่งมีความว่องไวเป็นไหวปิปิปิพัน มันสายฟ้าแลบความคิดมันแค่ก้อนหยอบจ่าบสติมันไปกว่าคมกว่าโดยเฉพาะสติปัฏฐานซึ่งไม่ใช่สติตามสัญชาตญาณเป็นสติที่หันกลับมาไม่ใช่พุ่งออกไปและหันกลับมาก็ไม่เยาวเพง่งไม่ใช่พุ่งออกไปแบบเผลอมันไม่เพง่งไม่เผลอมันมีความพอดีมีความเป็นปกตินะ สมดุลมันจะเกิดอาการรู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อรู้ตรงตรงรู้กายรู้นานรู้จิตรู้ธรรมเห็นรูปน้ําขันห้าตรงๆงขณะต่อขณะมันเป็นการสัมผัสจริงๆมันพ้นจากความคิดนึกปรุงแต่งธรรมะธรรมชาตไิไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละตามเหตุตามปัจจัยของมัน กายของเราก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจิตใจของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ปรามีสติปัฏฐานมีความรู้สึกตัวมันแบบเหนือเหตุเหนือปัจจัยมันก็มีความทุกข์มันอยู่ในโลกในโลกนี้นโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์แต่โลกของอริยภูมิมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันอยู่เหนือโลกแต่มันอยู่กับโลกแต่มันอยู่เหนือโลก มันอยู่กับโลกก็เพราะว่าโลกมันมีสมมติบัญญัติมีสมมติบัญญัติมีอริยบัญญัติสมมติของโลกมั น, ม, นมีปรมาถะสภาวะธรรมที่เป็นปรากฏเกิดดับเกิดดับอยู่ทั้งหมดเลยธรรมะคือธรรมชาติที่มันเกิดดับทั้งหมดเราก็ได้อาศัยนะปัญญาเป็นตัวเลือก เรือกว่าจะใช้อะไรให้เหมาะให้ควรตามฐานหน้าฐานหน้ากาละเทสะมันก็จะเป็นกุศลเป็นความฉลาดทั้งหมดอะไรก็ตามที่ใช้ไม่ถูกต้องตามกาละเทศะมันก็ผิดทั้งหมดเป็นอกุศลได้ทั้งหมดของสินนั้นมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าปัญญาสติมันถูกหยิบมาใช้ในอย่างเหมาะสมหรือไม่ ในฐานะของสัตบุรุษประหุสูตรือววินยูชนมันเป็นลักษณะของสัตบุรุษทีนะ่บ่มเพาะนะประสบการณ์หรือว่าลาตีการจนทั้งมันได้ก็สรุปโดยไม่ต้องใช้ความคิดมันเห็นแล้วว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยึดถือไม่ได้มันก็ใช้ชีวิตแบบโยนเหนือโลกมันมีอยู่ ในโลกนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนก็ตามจากศพก็จะเปลี่ยนเป็นทุกจากทุกโทษมันก็จะให้คุณนอี ก, กลายเป็นเรื่องของปัญญาอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่นี่นถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นชัยภูมิแล้วก็เหมาะตั้ปายะกอาการปริบัตดอย่างเมื่อวานไปที่ภนะูเขาทองก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย มวชอยูภูเขาทองแต่เม่เคยเข้าวิวภูเขาทองนานเพราะหมกตัวทำงานอยู่ที่สุกโตน่อยู่ตลอด เ, เห็นมีการเปลี่ยนแปลงสูงสหาสะอาดกว้างขวา ง, ข, วางขับรถมา ถ, ถึงกุฏิตัวเองเนี่ยเหมือนกับลกไปเล ย, เยต้นไม้ลกไปหมดเทาวันเทาวนยิงฝนตกนะใบไม้หล่นลงมาโดมันโอ้แปลกตาไปเลยเมื่อกลับมาจากภูเขาทอง ที่จริงมันคือธรรมชาติใบไม้ร่วงลดนมามันคือธรรมชาติมนุษย์ก็จะไปกวาดมันสะอาดมันก็ถูกอยู่เพราะากันกวาดให้สะอาดเราใช้มันก็ปลอดภัยศัตล า, ส, า, ส, า, ส, า, ส, าสิ่งต่างๆแต่ที่มันก็ น, นิสุด ก, ก็คือความรู้สึกตัวมันอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้บางคนก็อยู่ที่แม่สาย เขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าหายใจไม่ออกฝุ่นลองเต็มไปหมดเลยทั้งๆที่เคยอากาศดีมากๆนะอุตสา์หนีกรุงเทพไปนะหนีไปอยู่ที่แม่สายเชียงรายตอนนี้ปรากฏว่ามลภาวะเป็นพิษขนาดหนักฝุนะ่นลองหมอกวันเนี่ยนะประมาณสองเก้าสิบหรือว่า300สามร้อยเศษๆขึ้นไปอันตรายมากนะหายใจไม่ออกตาแดงหน่วยก็มันเป็นไมโครก ร, รัมต่อ ลูกบาทเมตรก็คืออากาศในหนึ่งหน่วยลูกบาทเมตรมันมีฝุ่นละอองมลภาวะสามร้อยกว่าไมโครก ร, รมัมก็ถือว่าอันตรายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลากรุ ง, งเทพก็ร้อนอ้าวฝนถึงฝนตกก็ร้อนระยองอากาศก็ร้อนอ้าวสามสิบสององศาแต่ที่นี่กับเย็นสบายมันเป็นสถานที่อะไรวัดป่าสุโกโต ตรงเวลาร้อนก็ไม่ร้อนจัดตรงเวลาหนาวก็ไปหนาวจัดมันมีความพอดีเปรียบเทียบเหมือนสติก็เหมือนกันนอยู่กับสุขมันก็ไม่ได้สุขอยู่กับทุกข์มันก็ไม่ได้ทุกข์อยู่กับสุขมึงก็เห็นสุขอยู่กับทุกข์มันก็เห็นทุกข์มันเห็นทั้งบุญเห็นทั้งบาปเห็นทั้งอุสุลเห็นทั้งอกุศลสติปัญญาสมาธินะมันเป็นเรื่องที่นะ มีอยู่ตรงไหนมีอยู่กับใครมีอยู่กับพระเจ้ามีอยู่กับหลวงปู่ชามีอยู่กับอาจารย์พุทธานมีอยู่หลวงปู่เทียนมีอยู่กับหลวงพ่อมเขียนหรือมันมีอยู่ที่ใครมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมันเป็นสัจธรรมแล้วก็มีอยู่ที่เราทุกลั้งทุกขณะที่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นไม่ยา่รู้สึกตัวไม่เป็น มันจะต้องทำเป็นมัง่งหรอกหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีสิบปีว่าเราไม่หันหน้าหันตาไปทางไหนนมิตรารู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจหันว่้าทางกายทางใจจนเห็นเป็นรูปน้ำกันห้าเกิดการแตกฉานขึ้นมามันแตกฉานเมื่อก่อนสัน้นมันแตกสัน้น อยู่กับกายก็ไม่รู้จักกายอยู่กับเวทน า, าไม่รู้จักเวทน า, าอยู่กับจิตมีจิตก็ไม่รู้จักจิตจักใจอยู่กับธรรมชาติก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักสัจจะไม่รู้จักมันก็เลยทำอย่างที่สังคม ร, บรอบๆตัวพยายามชี้นำสร้างกระแสเชิญชวนยั่วยุปลุกเร้าแล้วก็หลงเพลิดเพลินไป ดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเฮฮาที่ไหนไปที่นั่งเถร์เทิงที่ไหนไปที่นั่งมีหนังที่ไหนก็ไปดูหนังมีละครที่ไหนก็ไปดูละครมีกีฬาที่ไหนก็ไปดูกีฬาอะไรสวยอะไรที่มันใหม่ล่าสุดที่สุดของเทคโนโลยีจัดที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นมันก็ลืมเมือลืมตัวที่ไหนก็มีโอท็อปที่ไหนมีอเมซิ่ง เราก็ไปดูกันสายลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าภูเขาทะเลแม่น้ําต่างๆเราก็ไปแต่ตอนนี้เรากลับมาสู่บ้านสู่ช่องของเราคือรู้กายรู้กายเห็นกายเห็นใจดูกายเห็นกายดูใจเห็นใจเห็นแล้วได้คําตอบจริงๆที่สุดของที่สุขมันก็อยู่ที่นี่แล้ ที่มันมีความสุขที่สุดก็อยู่ที่นี่แหลนะก็คือความสุขเสแมสารที่ได้เห็นความจริงนะปรากฏมันกลายเป็นความปกติทุกทกขณะของชีวิตชีวานะที่ยังดำรงอยู่มีชีวิตอยูนะ่ลมหายใจก็รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความสงขก็อยู่ตรงนี้เองเป็นความสงบนะเป็นการหยุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน <c oughs> นึกว่าปฏิบัติธรรมจะเป็นการเห็นแก่ตัวมันกลับไม่ใช่สิ่งนี้นะจึง ท, ทำให้เกิดลักษณะของสามาดีพรมที่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็ดสเจสัมมาจาอา์มองดูว่าธรรมะที่รู้เราเห็นเนี่ยมันละเอียดประณีตลึกซึง้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่ว่ามันมีบัวสีเหลาอยู่บัวบนน้ำ ดัวปลิ่มน้ําดัวไต้น้ำดัวบัวใต้คนตม้มนบะัวสีเรามีเหล่าหนึ่งก็คือได้ยินได้ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ได้นะตัวนั้นก็ใจเป็นพรหมก็ออกทันที <c oughs> ออกจากไปจากพุทธคยาหนะนังไต้ตนโพนะหลังจากที่เดินจงกรมนะสวยมีติตสุขนะแล้วก็วางแผนที่ยอสอนนะสองเดือน หลังจากนั้นเดินไปคิดไปลักษณะว่าจะไปหาใครไปเจอคนคนก็ไม่เชื่อทำไมท่านดูสงบสงี่ยมท่านดูมีลาสีลาสันใครเป็นครูของท่านโอ้เราคือสมุภูตัตรู้ชอบด้วยพระองค์เองพรามมัก็ปริพาชก็ ใส่หัวแล้วขากถุยแล้วก็เดินหลบเดินเลี่ยงไปไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังสัจจะความจริงพนะพุทธองค์ก็เดินไปจนถึงป่าอิสิปตนนะ่ามรดกไทยวันแคว้นเมืองพาราณสีปัญจวัคคีกันหนีไปอีกนะ จ, จะตกเจดนะีไปเจอกันก็เดินหนีไป ไปเมืองสารณะาห่างจากนั่นไปประมาณสามสี่กิโลไปเดินไปอัญญาโกฏัญญาบอกกันว่าจะไม่ปูที่นั่งว่าจะไม่ฟังพุทธเจ้าแต่ ท, ท้ายสุดเดินหนีกระดดไหนก็ต้องจำนนได้เหตุผลของเจ้าบอกว่าท่านเคยได้ยินไหมวเวลาพูดถึงการบรรุธรมรมปากกอกเงียหูฟังดันดี ปูที่นั่งพระนั่งลงปุ๊บกานระแรกของพระองค์ก็รำมาจากกระป๋องักษณาสูตรนี่สูตรนี้ทําให้อัญญาโกรัญญามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอันนันตลนาลักนณะสูตรทําให้บรรจ า, ารวกีบรรลุธรรมทั้งหมดตนะจนทั้งวันเป็นเดือนสามนะมาครับูชานะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะพระสงฆ์ก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ต่างคนต่างประยอยกันเข้ามาหนะนึนะ่งพันสองร้อยห้าสิบคนเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาสองร้ยนหะ้าสิบคนล้วนแล้วแต่เป็นพระขีนาศนะเป็นพระที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนะี่ยบวชให้ทั้งหมดนะเอหิปิกุอุปสมบทาลนะ้วนแล้วแต่บวชให้ทั้งหมดเลยหนึ่งพันสองยห้าสิบคนมันเป็นไปได้ยังไง ถสัจธรรมมันไม่เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งพันสองรห้าสิบคนในเวลาเจดเดือนไม่ทุกสัจธรรมเป็นนามธรรมการสอนทำมาเป็นนามธรรมท่านทําเรื่องยากให้มันง่ายลงไปไม่ได้พูดออกนอกตัวไม่ได้ให้ชี้นคนอื่นดูนอกตัวแต่ให้กลับมาดูตัวกายตัวใจเนี่รน้อมใจมันก็เห็นความจริงปรากฏทันทีย ไม่เที่ยงเวนะไม่เทียญญเ่ยงสญยงัญญาไม่เที่ยงสารคาีไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันก็น้อมใจตามเห็นตามนั้นจริงๆแตามันใจเราเราก็บงังคับใจมันได้หรอกอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันคงเชื่ออยู่หรอกแต่บงังคับใจมันเดํากันไหลไป เกิดจากท้องแมวตายน่าเข้าลงพระองค์เองอายุ80พระองค์ก็ดับขันเสด็จปรินิพานไปนก็ถือว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแต่จิตของเรามันคิดนึกปรุงแต่งนี่้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบที่ยิบเลยในแต่ละวั น, นพอไ่เห็นอย่างนี้ก็บรรลุธรรมบางคนนี่ แค่เพียงแต่บอกว่าเห็นเสว่วเห็นได้ยินแต่ว่าได้ยินกลิ่นแต่ว่ากลิ่นรสแต่ว่ารสนะจะไม่มีเธอในโลกนี้และโลกหน้าบรรลุธรรมเลยเร็วมากช่วงเสี้ยวหนึ่งนาทีบรรลุธรรมได้เลยบางคนก็มีความทุกข์มากพอไปเจอพระองค์บอกน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดน้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิด ก็เกิดการบรรลุธรรมปรยัติบุคคลชั้นต้นเห็นความจริงเหมือนน้อมก็มาใส่ตนไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ย ว, วผู้ชายมันก็เป็นจริงก็จึงเป็นเรื่องที่ถึงจะผ่านมาสองพันปีแล้วก็ปีนี้เป็นปี2 6 0พันหรอที่พุษษิสัทหนาเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่วัน เป็นเดินหขึ้น15หาขามยาม3ามปละกาที่พระุทธองค์ค้นพบ45้าปีจนทั้งเกิดพศศนย์หขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ดับขันบัินี้ผ่านไปแล้วหนึ่งปีจนกระทั่งบัดนี้2อ0พันหปีมันก็ยังมีกลิ่นไอมีความจริงปรากฏอยู่เพราะว่า เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ไดนะ้ทุกเกิดจากความคิดเนะี่ยพิสูจน์ไดนะ้ความคิดคือตัวสังขารนะแล้วก็เปลี่ยนนะตัวสังขารนะเป็นตัววิลาคะขึ้นมาใชเป็นตัววิสังขารขึ้นมาใชไม่ปรงุงนะเมื่อมันไม่ปรงุงมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะมันก็จะมีแต่ความบริสุทธิ์ เห็นซอยเห็นนั่นแหละเห็นแล้วไม่ต้องคิดตอบปรุงตอบได้ยินก็สอบได้ยินนั่นแหละได้ยินไม่ต้องคิดตอบปรุงตอบแล้วมันจะเกิดอะไรผลมันก็เกิดจิตที่เป็นปกติขึ้นมานแล้วก็ลองดูติเคื่อนไหวสิบสี่ชั่งไว้นพริกมือรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรเมื่อเรารู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็เกิดความเป็นปกติจิตขึ้นมาทันทีมื่อจะเห็นลองเห็นรอย กลินไอยังมีอยู่จริงปรากฏได้ทันทีที่รู้สึกจะเป็นเรื่องราวที่ชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตจะปฏิเสธไม่ได้ใครก็ตามปฏิเสธการเวทธรรมปฏิเสธสติปัฏฐานก็เท่าปฏิเสธตัวเองถึงมาสว่างก็กลับไปมืดถึงมามืดก็ยิ่งมืดลงไป เพราะว่าความสว่างสวยแห่งปัญญามันปรากฏไม่ได้ปัญญาเกิดจากสติสติเกิดความเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเกิดจากอิริยาบถนั่งเดินยือนนอ น, นการเคลื่อนกันไว้ต่างๆกรรมเกิดจากเจตนากรรมดีกรรมชั่วเกิดจากเจตนา กรรมฐานก็เกิดจากเจตนาเหมือนกันกรรมฐานทาให้เกิดธรรมชาติกรรมดีกรรมชั่วทาให้เกิดอ บ, อบายภูมิอย่างเงี้ยนะเกิดสุขติภูมิอย่างเงี้ยแต่ว่ากรรมฐานทาให้เกิดสุขโตขึ้นมาก็คือไปแล้วด้วยดีชื่อวัาป่าสุขโตก็อยู่ตรงนี้แหละมาดีไปดี ใครไม่มีศีลก็ไม่เป็นไรคนมีศีลก็ไม่เป็นไรไม่มีศีลก็ขอให้มามีศีลก็ขอให้มามาแล้วขอให้อยู่อย่างเป็นสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขก็คือไม่มีศีลก็เปลี่ยนมาเป็นรู้สึกตัวมันก็มีศีลดันทีคนมีศีลแบบสมมุติเข้ามาในวัดป่าสุกโต เมื่อเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็มีศีลทันทีมันก็ไปแล้วด้วยดีไปจากความสุขไปจากความทุกข์เหลือแต่วางจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนอย่างนี้นะอากระพูดให้ฟังนะครับราพร้อมกัน